้ท่านผู้ใดมีข้อความใจอะไรก็แล้วก็สนทนากันได้มีข้อความใจอธิบายฟังได้ก็ยินดีอธิบายฟังอันไหนที่มาได้ก็ขอบินสบาตผ่านฮ <laughs> ะฮะ มหาสติมหาปัญญาความงก็ความจางก็ถ้าเราเที่ยวก็เหมือนกับเด็กกับผู้ใหญ่นะตอนที่เราเป็นเด็ ก, กเราไม่คุ้กกนการนั่งก็ไม่ได้คอยจะหอบลมยืนก็คอยจะหอบลมเดินก็คอยจะหอบลมเนี่มีระเบียสติปัญญาของของคนเราที่เริ่มฝึกหัดเริ่มเพเริ่มปฏิบัติต้องเหมือนเอาเด็กที่เริ่ม พูดหัดตัวเองงานยาวปวดต่างๆทั้งที่ท่านท่านคือหัดอารวมเป็นแค่จิตมหาจิมหาปัญญาแล้วก็เหมือนกับเราเป็นผู้ใหญ่แล้วทางานยันยากที่ทางานต่างๆทำอะไรกเปวดหัวทำอย่างสบายแต่เด็กจะทํานไม่ได้แล้วเรื่ยวกันก็เหมือนกับเราเรียนหนังสือเรียนที่แรกก็คอไก่กอกาเรียนเนี้ยลืมเล่าอยู่นั่นแหละแต่ทอกรา น อ, อไมเอกนีก่อนที่ถึกจะต้องท่องกันเพราะว่าท่านอย่างนี้นะจะต้องคิดถึงตัวทอแล้วสะอาแล้วไมเอ็กแล้วนอถึงจะอ่านว่าท่านนี่หมายถึงว่าการฝึกการเรียนเบื้องต้นเป็นอย่างนี้เวลาทําเรียนถ้าจนชินปากตินใจแล้วท่านนั้นมาพร้อมกันหมดไม่ใช่หรือว่าจาเป็นจะต้องไปเรียกหาตัวทอถึงให้ เหนือความชำนาญของสติปัญญาที่เราฝึกซ้อมตลอดเวลาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันมีกําลังอย่างนั้นแหละมีความชำนานได้อย่างนี้ข้ามมาสตินี่เราไม่ต้องตั้งว่าเราไม่ต้องระ ว, วังมันจะไม่เผลอถ้ายังระวังอยู่ยังเผลอได้พอเราหมดความระวัาวางมันก็เผลอได้แต่ความระวางังเพื่อจะไม่เผลอนี่เป็นปฏิวัตาที่ชอบหากจะเรียกว่าเป็นมหาสติแล้วเรียกไม่ได้ข้ามมาสติที่สมบูรณ์ในในเฉื่อยนี่ ต้องเป็นความให้เผอโดยหลักธรรมชาติของตัวเองจะยืนเดินนั่งนอนกน็ตามเว้นแต่หลับไปเยอะเท่านั้นแต่มีสติประจําตัวตลอดเวลานี่จึงเรียกว่ามหาสติที่ได้รับการฝึกซ้อมฝึกอบรมอยเสมอเป็นสติอย่างนี้ได้เพราะว่าปัญญาก็คือหมุนตัวเป็นเกลียอวอยู่นั้นหมุนเพื่อถอดเพื่อถอนมีข้อข้องใจตรงไหนทพิจานณาอยู่ตลอดเวลาเหมือนกนนำลัง น, น, นั่งนั่งคุนหรือแบมหาปัญญา เราปัญญาประเภทนี้ต้องพิจารณาเด็ดอนละเอียดนะี่ธรม ร, รมดาธรรมดานี้มันผ่านไม่ได้หมดแล้วมาถึปัญญาทันที่ทนะี่เด็ดอนละเอียดถ้าท่านพูดตามหลักธรรมก็เรืออรหัตธรรมกําลังดาเนินอาหารหัตรรมเพื่อข้าก็าาสู่อาหารหัตผลนั่นเองปัญญาไม่สามารถจะเป็นอาหารหัตธรรได้พูดําเนินอาารตมรรต้องเป็นสติปัญญาอย่างนี้เราก็เคยได้ยินกับขั้นบริการถนัดมหาติมาปัญญา อหาหารตะกอหาหาตะผลแต่เราไม่ทราบว่าทำเราด้านอยู่ที่ไหนใครจะเป็นผู้ปฏิบัติให้ได้ผลมานนั้นมาถ้าเราไม่ปฏิบัติตัวเองตัวต่อเราแล้วเราจะไม่เห็นอย่างนั้นถ้าเราปฏิบัติได้จะต้องเห็นในวันใดวันห น, น, น, นึ่งแน่นอนเพราะทำเป็นของกลางอาการิโกไม่เลือกการสถานที่ผู้ปฏิบัติถูกต้องได้รับผลตลอดไปเหมือนกับเราเลี้ยงเด็กนี่เลี้ยงมันทุกวนันทุกวันเพื่อบำรุงบำรเรอและรักษาความปลอดภัยเด็กเรื่อยๆเด็กก็ค่อยเติบโต ว, วนันคืนไปเรื่อยๆจนกระทเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาได้อย่างนี้ มีเราปฏิบัติบำรุงจิตจั ง, รงเราก็ทำเช่นนั้นก็มีความเจริญได้เพราะจิตนี้มีความเจริญได้เสื่อมได้ถ้าปฏิบัติผิดก็เสื่อมลงได้ปฏิบัติถูกก็เจริญขึ้นไปได้จนถึงที่ถึงที่ได้หมดปัญหาเรื่องความเจริญหรือว่าเสื่อมไม่ตายถึเข้าใจไหมเหรอนอาจารย์ขออาจารย์น้องขอไปพูดตามแบบนิสัยป่านะวงแวงวงนี้ท่านอาจารย์นะ <c oughs> ธรรมดาเนี่ยคนเราเนี่ยสติปัญญามันมันคอยจะมันไม่อยู่กับตัวตลอดเวลาที่นี่ก็หายไปนี่ถ้าเราจะปฏิบัติต้องทำเป็นเป็นวัดใช่ไหมเป็นประจําเลยบ้างชั่วโมงนั้นวันนั้นต้องปฏิบัติเสมอไปอย่างนี้นึกหลับอ๋อเรื่องความพยายามของเราเพื่อผลที่เราต้องการนั้นก็ควรจะเป็อย่างนั้นแต่ว่ามีความจําเป็นที่ต้องทําอันางอื่นที่ ไม่ได้อย่างนั้นมันก็หักมือเหมือนการเป็มันกรต้องขันที่ความมุ่งมั่นและความพยายามเราควรจะได้เวลาไหนให้เอาเวลาไหนดีอันนี้เป็นความลักความสงวนตนและสมกับเป็นความมุ่งมั่นคือเราปฏิบัติตามความมุ่งมั่นของเราเรามุ่งดังนั้นพยายามเขาทมได้มันก็ได้อย่างนั้นแหละแต่ถ้าทำแบบพราเรานี้มันก็ยังยากเพราะธลรม า, ขข า, ากาุารพระมีหน้าที่ Andrew, อันดียขพบวชมันต้องมีหน้าที่ปฏิบัติตัว ให้สมบูรณ์อัะไรๆยากโยมก็าทำรับรองหมดชีวิตจิตใจว่าก็ายากเขาโยมใหท่านคิดเกียดอยู่แล้วกอกแบบนั้นแหละอยู่างเงี้ยคือถ้าได้ทำงานโดยสมบูรณ์มาที่อื่นแต่ถ้าเป็นภาพอังจฤษินนะเขาอยู่ในฝ่าในเขาเนี่ยถ้าอยู่ใต้บ้านเดี๋ยวเขาออก เพื่อมาผูกมันดึงเข้าไปในบ้านมันมีมวลไปันนั้นันนีล้ยุ่งไปอ่าอยนั้นนะอาจารย์ยันกรงพ้าป่าผูดองคงมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาท่านปฏิบัติจริงท่านถึงไม่ชอบอยู่กามกล้บ้านกลนมอยู่ฝาขอเขาเรท่านต้องการความสม่ำเสมอในความเทียงให้สืบต่อไปถึงถ้าผลกระป๋าปดอยโดยโดยลาหนับําหนับเห็นชัดชอยู่ในจิตเวลาเราไปหน้าที่กลางงานเกี่ยวเขามีมอย่างนี้ พอไปแล้วจิตเป็นยังไงในาตนะอย่างา น, าน้อยก็จิตชให้ก้าวหน้าอยางหนึ่งทาแล้วก็เห็นมันลดงเอ๊มีอะไรดีนะดูแลแล้วก็ต้องระวังเมื่อเห็นเหตผงผมกแต่เต้องระวังทั้ต้องหาที่ซึมซอกิเมื่อในรับการบำรุงเสมค่อยๆเริ่ม่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ เ, เห็นกระจบในใจของเรามนี้เป็นอ่าีวันน้าเป็นวั น, น, นวันนั้นเป็รืน มีงานมีการเราถนัดแทรกนี่มันทําให้หยุดชนะถ้าจิตเราทําหน้าที่เดียวขนาดที่ทํานี้ก็อยู่นี้ขนาที่ทํานี้ต้องปล่อยอย่างนี้มันแค่งราทําหน้าที่นั้นมันก็ต้องปล่อยอย่างน่าก็ต้องจับเอาไว้เผยทํางานไม่ได้เมื่ออย่างเรากำลังเขียนหนังสือมีอะไรใครมาคุยกับเราก็กาศเราจับไว้เผยเรายันเขียนไม่ได้จะต้องพูดอะไรกับเขาพอปล่อยงานแล้วหน้าที่จะมาเขียนแทรกแทรกได้เนี่ยเองนั่นเองทีก็อย่างนั้ำหมึ่ง เมืเราทาบอยนั้นเราต้องพยายามหาที่หลุดพนแต่การหลุดีนก็เราไม่ไมันห ม, มายถึงว่าเราต้องปฏิบัติาความเมตตาญาณยมนะคือเราเพื่อจะหวังทำประโยชน์สำหสรับตัวเราได้มากแล้วจะได้ประโยชน์ในนิพพานกประชาชน ม, มากกันเองความหมายอย่น้เงินได้มาห้าบาทจ่ายไปสี่บาทเขาติดหนี้ก็ห้าบาทนั้นมันดีเลยเพนั้นได้มาเท่านี้จ่ายเท่านั้นติดหนี้ก็เท่านั้นหนุ่งเนี้ยทุกวันติดหนี้ทุกวันมันดีเม่อไหร่มันไม่ดี ใครฝืนทำงานแล้วเจ้งถ้าจะอยากเจ้งหรอถ้าอยากเจ้งก็ต้องหาที่อย่างนั้นอย่างในคารวะนิจประจําวันก็สมมุติเราเป็นหมอก็ต้องตรวจรักษาคนไข้นี่เราก็กำหนดจิตอยู่ที่งานที่เราทําอย่างนั้นไปเรอยออใช่ไหมครับถ้าผิดเราเปลี่ยนเปลี่ยนจิตกําหนด ตามกิระบียบต่างๆได้อยา่อยาให้มันรกแวกออกไปอนอกแนวนี่แหลแแนนะเนี่เป็นคณะลูกจุดมากเปินธรรมะเป็นนายแพทย์จะได้รมเย็นฮะ <c oughs> <c oughs> พอเข้ามุ้งเขียง <c oughs> อ, อะไรแกนั้นเรีกว่าอะไรดิงอาจารย์ก็เคยปฏิบัติมาอย่างนั้นพอเข้ามุ้งเขียก็บินโกยังนอกหายเงียบไปเลยาการมันหนีนอกจากดูภายในอารมณ์เราที่เป็นุควจะของเหื่อย พอจะนังงน่งคำนั้นเออดีวันพรุ่งนี้เราจะไปเรียนหนังสือแต่เช้ายัางไงกันแล้วเราพักหน่อยสั ก, ก่อนไม่ใช่สักหน่อยพอลงไปปั๊บกบ็ตลอดวุ่นเลยโอ้โหแล้วกันวันนี้ไปจะใหญ่โตเอ ว, วันหลังเอาหน้าเอาวันหลังเอ า, าอิ่งมันเอายิ่งเน่ะเฮอยมันบางครั้งใส่หมอนจนได้มีวิชานี้รนะวังดีนะวิชานี้มันเหนือเราอยู่นะมันมีเหนือเราอยู่เรืนะ่อยๆเยนี่ยรูปแวิธีที่เราจะแก้เราเนี่ยสำคัญมาก ถ้าเราได้โกหกเราสักวันนึงเนี่ยวันหลังมันถ้าจะโกขึ้นมากนะเคยเป็นการเรียนธรรมะก็เรียนเรื่องเราเองโทษตอบร่องของเราวันัหนบกข้อไหนได้เสียได้เรียมพ้อสิ่ที่ไม่ดีอะไรบ้างจำมัมจํามัมเอามาโทษตอบบวกลบกันไปเรื่อยๆเอาไปเรื่อยๆค่อยๆปีมขึ้นไปเรื่อยเราก็ได้ไเรื่อยเดี๋ยวมันมันแซงเราั้นระวังมันแซงเรามากแล้วมันจะทูนมาได้นะต้องระวัง ต่อไปก็เราเราไปเลยกลายเป็นรถบรรทุกเปิดเปิดแกล้งรถเจ็งมาซะแล้วแหละแกล้งแกล้งเขาหลีกเขาหลีกแล้วเขายิงไปเราเปิดแก้เลยแต่กิเลนไอ้ความนี้มันถ้ามันได้ออกหน้าเราแล้วมันอย่างนั้นแลเปิดแก้ท่าไรมันไม่ฟังมันไปของมันเลยเพราะงั้นอย่างรถบรรทุกที่เปิดแก้จะขอแกลงรถเจ็งเห็นมันเป็นไงนอกจากรถเก็งเปิดแก้แกงรถบรรทุกของนั้นมันได้มีหมายถึงว่าสติปัญญางเราถ้ามันทันแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเปิดแก้แปผ่านปุ๊บเลย อะไรมาผ่านปัญญามันพ้าเข้าไปฟ้าเข้าไปตกเลยตกเลยตัวเลยไปงั้นห่ะเรียกว่ามหาสติมหาปัญญามันแก่ซ่ามันทันกันอย่างนั้นน่ะเหมือนจังหวัดท่านอันนี้มันมาหมดหนังถือทุกตัวที่เกี่ยวกับคำว่าท่านมาพร้อมกันหมดเลยเขาคือความทํางานเนื่องจากการฝุกผัดเสมอจิตใจนี่เป็นของฝุดผัดได้แม้แต่กายของเรายังฝุกผัดได้เราเคยทําำลายที่แรกมันไม่ทำนิ่งทางานนี่มันก็เกิดเผลอกระด้างเพราะว่าทำแล้มันนิ่มไปหมด เ้าะาเคยชินาข้นหัเสมอเนี่ยดีเข้าใจไะมหรือวรถทุกเปิดแกแทงรถเก่งอ่ะเราเราต้องระวังเขาเขาจะเปิดแกเารถเก่งเปิดแกแทงรถทุกเรเนียรามันทุกหนักอะไรบ้างเราต้องคิดึกหัดแก้กันเข้าใจแล้วไหมหรือวิธีแก้ยุง นั่นนันไม่ใช่ัวอยู่ตัวะจะเใจคนูว่าจะรู้นัับกับับบาคือแล้วว่ยนมอกกลับกลับไคือกลับ้ตัวแล้วมันเริ่มใหม่เิมหนี่มันต้องมีทายาทมันึงจะตับคือพอพอรู้สึกว่ากายเบากิดมันจะประวัติออกมาว่ากายเบเนี่ย มันเพื่อนจากหลักปัจจุบันที่กำลังทําำมันเป็นได้นะคือตอนนั้นไม่ต้องสนใจว่ากายจะเบาหรือจะหนักนิดจะอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเราสนใจเฉพาะนหน้าที่ขเราที่กำลับบงทำมีความรู้สึกอย่เท่านั้นแล้วค่อยเบาไปเราไปกายเบาไปแล้วหายไปเลยอนี่จะอความรู้สึกเกี่ยวกับอารมณ์ขอเราทีู่่ในถ้ากิจประวัติออกมานั้นนิดนึงมันก็เพื่อนจากหลักปัจจุบันถ้ามาสูเส่วนร่างกายของกายกิเป็นการเกิดกิจจิตรึกทั้งนี้ก็เห็นธรรม เาใจอ๋อเช่นอย่างเรามองหูจะเพียงนี่ครับแล้วพลิกสายตาทำไมมันเสียมันไเสียข้อมงนนันมันจะมียุงมีกระทางเราพลิกสายตาไปอีกเยอะนั่นก็หายแต่นี่ภาพไม่เหมือนนียนะพอเราพลิกมานั้นมันก็หายเพราะมันออกจากสายติบเรอันเดียวกันนี้ พอจิตที่จะมาปั๊บอันนี้มันเปหาบางทีเพรามันเป็นกระแสอยู่ของเราไม่ได้เป็นอนึ่งเหมือนตะเกียงนะคือมันมีความเกี่ยวเนื่องไปจากจิดท้งานเนี่ยต่แต่ต่อไปจะเป็นภาคเองอ่าเราเรายั่จิดเข้ามาคือตอนนั้นจิตต้องเผยจากหรกเลยตัเองพอยั่งเข้ามาจิดที่นี่อันนั้นม็หาครั้งแกีเป็นอันนี้วันร้อยกว่าเป็นห้าอซตย่างัวอนี มีจะพิเศษว่าไม่มีไม่ได้มีในวงก็รเรือันนี้มีมีหมอคนหนึ่งที่มาจากโรงพยาบาลโรคเรื้อนที่ของกันเมื่อไม่กี่วันมันมาหาที่พูดกต่แต่งนั่งท่านขึ้อยู่เฉยๆอย่างเนี้ยนั่งกําหนดจิดอยู่เฉยๆถ้ามีเหตุการณ์อะไรอย่างนี้มันรู้วงั้นนะบางทีเราเราถึงกับฝืนไม่เชื่อ อ่มันฝืนไม่เชื่ออะไรมันก็เป็นอยู่นี่จะ ต, ต้องไปดูไปดูจริงๆางบางทีมานั่งอยู่ในบ้านเนี่ยทางโรงพยาบาลเขามีอะไรกันเนี่ยมันปรากฏเห็นเป็นภาพาเหมือนกับโทรทัศน์อย่างนั้นนะเห็นชัดเอ๊นี่มันเรื่องอะไรเนี่ก็กำหนดดูโอดีรามที่กำลังเป็นนั้นน่นนูกปรับไปก็เห็นจรกจริงอย่างนั้ น, า น, น, บ, น, า น, นบางทีอยู่ทำ ง, งานอยู่ที่นนแล้วมาเป็นที่บ้านเป็นอยู่ทางบ้านมันรู้อยู่อย่างนี้นี่ยังไงนี่ตรงรีบไปว่าเป็นจริงมันเล่าให้ฟังาสองสามวัน กในน็ในช่างมนุษย์น่ะในช่างเดี๋ยวเรางพัฒนาค้นกันบนาะงที่ก็ปรากฏผู้ใหญ่จะมาทางนั่นนะ่ะมันทําให้รู้รู้อยู่นี่แหละลบไม่ออกองนั้นมันรู้อยู่ข้งมันอย่างนี้ที่ยัยงไงผู้ใหญ่จะมาจริงหรือทำไมจะมาไม่น่าจะมาแต่มันก็เห็นจะท่านนี้เตรเียมท่าเตรียมอะไรแล้วรับรองว่ามาจริงๆไม่ทราบนะมันเป็นเพราะอะไรหนาดีนั่น คือนิสัยนี่มีกาไม่ได้ทุกรายนะอันนี้ก็มีน้อยมากก็อาจารย์ก็กํ า, กากกลังอยากทราบเวลาเนี่มันเป็นเพราะเหตุไรกับการลงไลน์นี่ใครจะตอบก็เห็นต์อบแล้วยังมาตามอาจารย์อีกด้วยทําทําไงกันเนี่ยเ <laughs> <c oughs> นี่ยมันแปลกๆคุณนะไม่เป็นทุกไม่เป็นทุกคนอ่ะให้เป็นทุกคน น, กค น, น้อยรายมันเป็นตามนิสัยนะ่ะคือนิสัยนี่มีนิสัยมาตั้งเดิม เช็นอามา่อย่างที่ว่านอะมีนิสัยที่จะรู้อย่างนั้นมนนั่งเดิมแต่เวลาเรายังไม่ได้กรอบคนนี่ก็ไม่แสดงออกมาเท่านั้นเองพราะเราประกอบคนนี้ก็แสดงมาอันนี้ก็เหมือนกันที่ว่ารูกสินั้นงนี้มันเกี่ยวกับนิสัยตรงนี้เหมือนกัน เพราะไม่ขาดเพราะอดีตก็มีอนาคตก็มีปัจจุบันก็มีอยู่ในวงธรรมะอุปจรงนั้นทั้งสามนี่มีในหลักธรรมะเกี่ยวเนื่องกันเราที่จะพี่นั้นเรื่องปัจจุบันก็คือเรื่องเกิดมาเบื้องต้นก็คือปัจจุบันอันนี้นั่นเป็นเด็กก็คือผูนี้นั่นปัจจุบันนี้ก็คือผูนี้แล้วจะ แต่แค่ดับไปข้างหน้าก็คือผู้นี้นั่นปัจจุบันอนาคตมันเกี่ยวเนื่องอยู่กับคนคเดียวเพราะฉะนั้นอดีต อ, อนาคตปัจจุบัน จ, จึงรวมได้นคนคเดียวเข้าใจอ่าเ <c oughs> ข้าใจเด็กใครเป็นเด็กนก็คือผู้นี้นั่นหลักปัจจุบันอยู่กับนี้นี้นี้อยู่เสมอเราพิจารณาตัวของเราเนี่ยมันเป็นปัจจุบันอยู่ล้วนๆพี่าร้าเรื่องเป็นเด็กนี่ก่อนเราไม่ได้คิดเป็นนู้นเราคิดเอาผู้นี้นี่ เราไม่ได้คิดไปโน้นไม่ได้คิดสถานที่โน้นไม่ได้คิดสถานที่คลอดไม่ได้คิดสถานที่เลี้ยงดูแต่คิดในจุดนี้ที่ผู้ครอดก็คือพู้นี้ผู้คอดเปลี่ยนแปลงตนเองมาก็คือผู้นี้เปลี่ยนแปลงมาถึงบัดนี้ก็คือผู้นี้และจะเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าก็คือผู้นี้จนกระทั่งถึงวันสลายก็คือผู้นี้น่ะวันสลายมาถึงอนาคตก็คือผู้นี้หมายถึงปัจจุบันเข้าใจไหมเนี่ยมันอยู่ในนี้หมดถึงไม่ขัดกันเข้าใจไหมท่านปัญญาที่พูดอย่นี้ เก่งนะเดี๋ยวนี้เก่งภาษาไทยแล้วไม่จะเก่งกว่าภาษาอังกฤษลมังเดี๋ยวนี้ยังเนือท่านว่ายังันบอกยังไม่เก่งถึงภาษาอังกฤษทั้งนั้นอาจารย์้องไปนะพูดกับลูกศิษย์กูอย่างนี้ลูกศิษย์หลังมันเป็นเลือดเนื้อเดียวกันหมดแล้วในวันนั้นเก่งมากภาษาไทยน ท่านบอกว่าท่านเทศตัวเองก็ยังไม่ได้ท่านมาอยากเทศคนอื่นท่านว่างันนะท่านแก้ดียินท่าหลับพระวันนี้รู้สึกจะไม่ค่อยสนใจในการเทศนะไม่ค่อยสนใจในการเทศคงคงจะเป็นโพวัดนี้ไม่ค่อยมีโวหารมากหรือไงนะ ไม่ไม่ค่อยมีองค์ไหนสนใจจะเทนยังมีแขกมีคนมาท้าอาจารย์มาอยู่รู้สึกโอ้โหหนักไปหมดว่างนันนะมันเหมือนกัะพูเขาเนี่ยแบบรับจิตรับใจมันอะไรพูดไปถูกกันว่างันพาาระพุทาเจ้์มาแล้วมันโลกไปหมด mm hmm. ก็แสดงว่าท่านท่านคงอึดอัดเกี่ยวกับแขกกับคนท่านถ น, นัดในการอยู่คนเดียวเป็นตุ๊กตาอยู่ในป่าเน่ยเดนเย mm hmm. แต่เทสนามาการเนี พิชาชนฟังนี้ไม่เห็นองค์ไหนที่มีมีแววอย่างนั้นเลยท่านบัญญายนี่บอกว่าให้ท่านเทศสอนพิธาชนบ้างโอ้แต่สอนตัวเองก็ยังไม่ได้จะไปสอนก็ให้ได้ยังไงงว่าเขาก็หน้าฟังเราเลยยอมรับท่างไปเทศบุรีด้วยปีไหนนานด้วยสองปีเขามียงคนหนึ่งเขาออกมาตอะ น, นั้นท่านเทรี่กับท่านบรรยานี้ไปด้วยวนไปมึงเทศไปพมอเขาเามองเห็นหน้าเฮ้ยท่านอาจารย์ตรงนี้ ผมยังจําได้ที่ท่านอาจารย์เคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วแล้วผมเคยนิมนต์ท่านอาจารย์ไปฉันที่บ้านท่านอาจารย์จำผมได้เปล่าอาตมาไม่ได้ตั้งใจจะจำเหมอนกันโอ้หน้าฟังอาตมาไม่ได้ตั้งใจหน่าตั้งใจจะจําก็พูดดีเหมือนกันนะกลไว้กลมไกรอาตมาไม่ได้ตั้งใจจะจําเลยไม่ลืมเราเล เพราะว่าธรมาไม่ตั้งใจจะจำเพราะญาตถึงจำไม่ได้เพราะมาก็สนใจยุเทศถอนไทยเลยมากครับถามท่านเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ทราบว่าท่านเกิดอะไรขึ้นมาท่านเกิดอะไรขึ้นมาแล้วหนอยโยมถามโน่นก่นปิด มันประวัเรื่อง่างนี้ได้ดีเวลามันเครื่องยากลำบากมากๆนะน้ำประวัคิดึนมาเรื่องนี้เกี่ยวเรื่องเป็นเรื่องกายเรือสัตว์เปนงน้เจิดถ้าธรรมดาทำร้านมันกมันก็ร้เองรบแล้วถ้าเพิ่มไปทางแรงจำเป็นบางสิ่มันก็ได้ขี้ดังนี้ัที่กแก้ไขการหลอกตัวเอง เขาจะหลอกกันแล้วเท่านั้นจะไมแก้ไขอะไรตัวของหลอกได้คนอื่นแก้ไขได้หรือหลอกวันยันคาคนแก้ไขวันยันคำไม่ทันจะของไม่หลอกก็อยู่เท่านั้นเองสมายเลยลองนว่านี่มันมันกว่าจะรู้ตัวก็ีหละหรอพรู้ตัวมนก็หายหลอกใช่ไหมหลานตอนนั้นเราเราตั้งหน้าตั้งตาหลอกตั้งใจเชื่อด้วยนะใช่ไหมถ้าไม่เชื่อคงไม่หลงตั้งหน้าหลอกแลวตั้งใจเชื่อด้วยอย่างั้นนี่ มันก็แปล่านะอาจารย์ก็เห็นใจผู้พูดนี้มันหัวใจมันเป็นอันเดียวกันมันมีสิ่งแวลอมเหมือนๆกันพอพูดขึ้นมาเข้าใจกันทันทีกันดีแล้วท่านพูดอย่างนี้ก็รู้พ่อจากเขาเคยโกงของมาใช่ใน้อยเหมือนกันนักโกหกกันมีไม่ใช่เป็นของดีของดีมาจากไหนหรงมีลูกตีลูกหายแย่ๆของก็ยังไม่ได้ว่าจะของดีมันก็นักโกหกตันนั้นมันเคยเป็นแต่เราต้องหาอุบายแก้นะเอาลองว่าแลวก่อนว่ามันโกหกยังไงแล้ก่อนแต่ว่าขออุบายเลยไม่ได้นะ เพรา้ายเหตุไม่มีมาแล้วผลจะตอบวรับกัน้ยังไงผลเกิดทีหลังเห็นนะเอาเห็นเป็นไงว่ามาเออเอาบางทีเรากำลังอะไรอย่างเช่นนั่งสมาธิกินแล้วมันมันนั่งอยู่ชั่วขณะเกิดความรู้สึกว่าง่วงนอนแต่ขนาดนั้นยังไม่นอนทำดีเราพยายามต่อสู้รายการพยายามเพ่สมาธิมากขึ้นเมื่อเมื่อเพได้ถึงดีนั้นเนยปรกว่าความง่วงหายไม อย่นี้เลยพี่แจนนะว่าความง่วงที่เกิดขึ้นครั้งแรกคือการหลอกตัวเองที่เวลาเราปฏิบัติอย่างนั้นไปแล้วก็แสดงว่ามันมันแก้การหลอกอยู่แล้วนี่ก็ไม่เห็นไม่แก้กันอะไรอีกก็ผ่านมาจนได้ผลเป็นความสบายแล้วหายง่วงนั่นมันก็เป็นวิธีแก้แล้วนี่แล้วบันชีถ้าเราไม่นั่งจะมาเกิดขึ้นไงอ่าคือ อ๋อมันโมงบ้างนะมันหลอกนี่ว่าไงก็หลอกมันหลอกบ้างเราหลอกบ้างเป็นไรไปต่างคนต่างหลอกกันเขาก็ไม่หลอกเราต่เดียวหนิเราก็ยังหลอกเขาบ้างอือเราหลอกเราหลอกเราไนอนเรานอนเจกันแล้วกันนิ้เห็นอยากอะไรตอนเวลามันเหนื่อนรู้อยู่นนหลอกหลือหลอกก็หลอกที่เอากันอันกันไปนั่นตื่นเจ้ามาพอรู้สึกตัวเราตื่นไปเลยฮีเป็นไรไปทีเขาบ้างงที่เราบ้างมันอยู่ด้วยกันนี่ว่าไง มือนลิงกับกันเนี่ยกัดกันบ้างก็ไม่เป็นไรรักษาแล้วแล้วกันจะเลือดออกเลือดสะอาดไม่ดีอันนี้มันอยู่ด้วยกันบางทีมันเหนื่อยบางทีจริงมันก็มีแล้วก็รมผลผลิตบ้างบางทีมันก็มีแต่จะเอาธาตเดียวเราก็ไม่ให้แล้วก็แบ่งบ้างนะมันมีอย่างนั้นความจําเป็นมันมีในะานะขันของเราบางทีมันเคร่งเครียดกับงานมากมากนี่มันเป็นเหมือนกันนั้นเราก็ควรอารวมผลผันเพราะธาตุันก็เป็นเครื่องใช้แต่ถ้าดูจุกประมาณนึงก็สุดโสมือกัน อันนี้เรารู้จักประมาณไว้แต่ว่าอย่าให้แบ่งเขาท่าเดียวนะถ้าเราต้องมีถ้าเข า, าต้องมีกระจายเขางังง้นมีอะไรเสียหายนี่มันก็ไปถึงไหนถึงกันได้นี่นะ <c oughs> และ้ะพระกรรมฐานมันเป็นอินแบบนึงท่านอยู่ในป่าแล้วมันเกิดความง่วงๆ่าลงมาแตงกอมมันมีเสื อ, อ น, นี่ คนนึกถึงเสือท่านความม่วงไม่ทราบไปไหนหายหมดอาจารย์เคยดัดเจ้าของเงินนะไม่นานเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเรล่นคอมเพลนเราไปอยู่ในถานที่ธรรมดามไม่เอา <c oughs> เด็ดเท่าไหร่ยิ่งเอาตรงนั้นะสถานที่นี้กลัวที่สุดเอาตรงนี้เวลามีคนถามไม่กลัวที่ท่านไปอยู่นั่นโอ้กลัวก็มันกลัวจริงนี่แต่เรื่องเราพยายามดัดเราเขาไม่ถามเราก็ไม่ตอบ <c oughs> มันดีอย่างนั้นอยู่ในฐานเขาไม่มีเรื่องความง่วงไม่มีเลย อยู่มาในอยู่ในที่ธรรมดานี่ยชอบจะเป็นเนี่ยเดี๋ยวก็จโดดขึ้นเขียงเขาใจะไม่เขียงกางเกนอะนนั่นแล้ว <laughs> เดี๋ยวโดดขึ้นเขียงถ้าโดดขึ้นเขียงแล้วไม่ลงนะ <laughs> เลยงั้นนะจะมีความกลัวไม่เป็ น, นดีถ้าถ้ากลแบบนะัวแบบกลัวแบบกล้านะถ้ากลัวแบบกลัวไม่ดีนะ มันผิดกันนะคําว่ากลัวแบบกลัวคือคือกลัวแล้วอ่อนแอไปตามเนี่ยกลัวแบบกลัวนี่ไม่ไม่ไม่ได้ผลกลัวแบบกล้าคือต่อสู้ถ้าต่อสู้กันนี่ได้ผลกลัวกลัวแล้วต่อสู้นี่ได้ผลถ้ากลัวไม่ต่อสู้แล้วยอมตางนี่ไม่ได้ผลวิธีการปลุกปลอมาวุยงถู นี่วลาคนถามบางบางรายมีกั่นั้นลูกศิลป์ลูกหาที่ใครคิดนั่นแหละคนเราถาครคิดเนสนมรู้จากน้สัก็แน่จว่าให้ทะลากันไม่มีอะไรกันบางทีพอลูกศิล์ลูกหาเขถามนี่ถ้าอาจารย์นํำธรรมมาสอนประชาชนเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วจะนามามากประมาณเท่ไาไหร่มาสอนมากประมาณเท่าไหร่สิบห้าเปอร์เ็และแปดห้าเอร์ซ็นต์ไมทไมของขายไม่ออกเราางั่นเราพูดแบบงั้นเสียขายไม่ออก <laughs> ไม่มีใครซื้อแล้วขอตังอีกสักเปอร์เซ็นเอาเราเอาเปอร์เซ็นแบบอย่างให้ฟังนะยกตัวอย่างนี้ปั๊บเอ้าจะปฏิบัติได้ไมาอย่างนี้ไม่ได้นั่นแหละถึงบอกไม่ได้มันขายไม่ออกอย่างนี้เองมันาะอย่างนั้นคือความรู้ภายในเราเนี่ยความคิดความเห็นความรู้ความอะไรอะไรที่เรานํามาปฏิบัติต่อเราเนี่ยวันหนึ่งมันมีเงินมันถอยคิดได้ถึงว่า85เปอร์เซ็นที่ที่มือคน พ, พูดเราพูดได้งไงเพราะเราไม่ใช่คารมมา สิ่งที่จำเพาะตัวเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องจำเพาะเพราะเหตุผลบอกแล้วว่าเรื่องจำเพาะจำเพาะขนาดไหนก็ต้องเป็นจำเพาะขนาดนั้นควรขนาดไหนก็เพีย ง, ทงท เ, เย ท, ท่านั้นเหตุผลมันพร้อมพร้ออมูืนเหตุผลแล้วก็เลาฝืนทําฝืนทำนั่นเป็นประโยชน์เสมออย่างไรมีความใจละเอียด โอ้โห oh, ต่างกันคืออัถีนั่นก็อย่างที่เราเห็นนะอถีนะส่วนพระธาตุนั้นแปลจากอาถีนั่นเป็นเป็นเม็ดเหมือนนี่เขาเขาโพดเนี่ยเรียกวก็ธาตุอ่ า, พ, า, อาพูดถึงเรื่องพระธาตุนี้ก็เมื่อวันที่สิบเก้าเดือนเดือนที่แล้วเนี่ยมาจากกรุงเทพวันที่สิบเจ็ดเดือนที่แล้วเนี่ยวันที่สิบเก้าก็ไปโคราชคือต้นเด็ดต้นหายในวงท่านขอร้องให้ไปอดทนแคสังขารปิการไทยทางด้านปฏิบัต ก็เลยไปไปพากที่วัด<ม>สารวันแล้วอบรมทุกคืนอบรมให้สี่คืนอบรมจากท่าล้วนๆน่ะแล้วในในระยะที่ไปนั้นก็ทราบมาก่อนบ้างแล้วว่าพธะถีฒท่อาจารยสาวอาจานั่นนี้กลายเป็นพระท่าอยู่ที่วัดสารวันท่านอาจารย์ศิลป์เป็นผู้รันาท่านมาว่มันจุไอท่นั่นเ็นมีเจดีเล็กๆใส่กัน<ม><ม> ถ้าสนาทำไว้ทีอ่างแทนพปลาเออขอมูประสบกนรณ์ท่านก็เอามาห้ดีเป็นจริงๆริโอ้หน้าอัศจรร์ผ้าขาวก็เป็นผ้าที่ห่อมาตั้งแต่วันแรกดังเดิผ้าขาวตัดเป็นชิ้นนล็กสี่เดีย่ยวแล้วดอีอัฐิมุกนั่นมีเครื่องตวงตักตวงไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ใครมาก็แจกไปในนามจังหวัดนั้น น, นีนน้นี่ท่านจ้างถืขึ้นมาเปนยังไ ไปได้คุณอาจารย์ตาจารณ์มั่นมาคือต่ก่อนอาจารย์ก็ได้ทราบจากบุคคลที่เชื่อถือได้ทั้งในก้าเทศลงในหนังสือถึงกับต้องพิมพ์เป็นทางร่มเยนาะบต่างๆอย่างอภิรัน์อายตาวก็เป็นการเป็นพระธาตุแ้ต่เราจะไม่เห็นด้วยตาเหมือนอาจารย์มั่นที่ไปเท้านี้เลยไปเห็นด้วาดีเป็นพระาตจริงๆเป็นม่เป็นเมป็นมส่วนที่ยังไม่เป็นก็มี คืออัฐิส่วนที่เป็นชิ้นใหญ่อยู่บ้างขนาดยังไม่เต็มตรงนรี้คือละเอียดเป็นต่างนมีหมายตรงทั้นจารเต๋าท่านจารมั่นแทบไม่มีเหมือ า, าเป็นพระธาตุจบจะพูดแต่ว่าล้นวนๆกันแล้วเป็นเม็ดเปเม็ดนักมีหลายขนาดขนาดที่นี้เขาโคตรจะมีขนาดเล็กตรงนี้ตัวก้นั้นเล็กน้อยก็มีทั้งทั้งสององค์นี่เรียกว่าพระธาต ค, คือแปลจาก จากอัถิธรรมดาเนี่ยถ้ากลายเป็นเม็ดหนึ่งเปรี้ยงเกาไม่คคมัโนโพัก่าในตำนานท่านหระเป็นได้เฉพาะพระรหันเท่า น, นั้นคนทาอันธมาลานี่เป็นไแม้แต่พระยเจ้าในสอง ส, องสามขันน้นก็เป็นเป็นได้เฉพาะพระราหันฮะออออออไม่ เ ห, ห็นปูนนเป็นยังไงเพรไม่ทราบตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นแคนเซียลเป็นยังไงเออหั่นนี่ไม่ได้ดูนะไม่ได้ดู อันไม่เคยเห็นที่ว่ามีมารแสดงที่วโรดคงจะเป็นระยะที่อาจารย์ไม่ไปหรอือไม่ได้ไปนะในหลวงรุ่นเปิดอ๋อเมื่อไหร่เดือนมีนาทีา่แล้วนี่เหรออ๋อทางนั้นไม่ได้ไป ออเดือนมีนาณี่นี่มาตั้งแต่เดือนกุมภาใช่ไมมาตั้งแต่เดืนนอนกุมภา่มากลยผิ้ขาวิวน้อช่ เบาหนฮะโอ้จับจับนะดูนะก็คงจะเป็นหนึ่นจงจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตที่สะอาดเป็นที่แล้วแล้วอาศัยขันอยู่ก็สามารถจะพอกขันให้ละเอยดไปตามจุดนัน้งหม ว่าเป็นกระดูกธมนาท่านก็ม่เรียกว่ากลายเป็นธาตุต้องเปลี่ยนไปากอ๋อ <c oughs> ไม่เหมือนนะมันมัมงงนเะ่อสหรับางเกลี่ยนกับหมอ ง, งางไาง <c oughs> แต่ว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่เหมือนกันไปหมดทุกทุทุกรายนะ ตามที่ขนาดที่บายไว้ในตำราก็ก็มีตรกแกรองค์หนึ่งมีลักษณะอย่างนั้นมากจะมีมากองหนึ่งมีลักษณะอย่างนี้จนมีมากหรือองหนึ่งมีลักษณะอย่างนี้บ้างอย่างนี้บา้างนะครับานจาังเสาท่านจั่มันนี่ต่อมตมมากโอภาษาเราก็เลยว่านมานเอง ว่าถ้าคุณเป็นนันก็ทอท่าความนั้นจนนทะถ้ามีประโยชน์อะาาไรบนางนราบฟังคำสั่งนี่มันเรียนตอบยากเหมือนกันมันมนยังทุกทานุกติเป็นอนุกติเดือนใจให้เราเรือมีศรทาเราได้ ก็ทูแต่ก็วิจิตรยาเก่ายากเหมือนกันการขออนุญาตถังนี่นะเรื่องเก่ายากนอาจารย์ครับอาจารย์จะอในการปฏิบัติธรรมทางสากลางนะครับถ้าใช้ฟงอันนี้ถ้าเกิดนำไปปฏิบัตินทางโลกแล้วจะตึงเกินไป อ๋อถ้าเราไม่ปฏิบัติให้ตึงก็ก็ไม่ตึงก็ต้องจะมาทางสายกลางถ้าต้องกลางคือทางสายกลางนี่ก็มีได้หลายหลายขั้นนะแม้แต่ทางปฏิบัตินี่เป็นต้องมีหลายขั้นขั้นของทางสายกลางมันมันมีแบ่เป็นขั้นๆถ้าคิดดูอย่างอาหารการรับทานนี่นะคำว่ากลางคือไม่เผ็ดเกินไปไม่เค็มเกินไป ให้เปี่ยวเกินไปคาว่าเกินไปอย่าให้มีนะนั้นทําให้ไม่เหมาะสมเลยสายกางอะไรก่กางถ้าว่าเกินไปแล้วไม่ใช่มันช่ทางสายกลางไม่ใช่พอดีถ้าเที้ยอะไรอย่างนี้ร้านโรคจะนำไปใช้ได้เพื่อเพี้นอไม่ค่อยเข้าเรียกว่าอันไหนมันพอดีที่ใครทํำมาก็เห็นว่าตัวพอดีอย่างนั้น <Voiceover> อย่างนั้นโดยมากนะเอาอทางสายกลางตัวไปไล่ทางสายกลางพวกจะออกหมด เราก็เดินสายกลางเราใช้กลางพระเจ้าไม่ทราบไปยังไงเช่นเขาไปผพไปรักเขาก็ว่าเขาทําพอดีของเขาเห็นอย่างนะั้นนะอะไรอะไรก็มีแต่พอดีทั้งหมดเงินเดว่าทางสายกลางเราเป็นไ่ทางสายกาาลางาาของของพรเจ้าออกอย่างไม่เดิอที่สุดตัวนี่ทางสายกลางแค่จริงยังไงก็คือเราทดสอบเหตุผลอะไรถูกต้องนี่เป็นหลักสายกลางคือเราไม่เอาความอยากของเราเข้าไปเกี่ยวข้องเราเาเหตุผลเข้าไปจับวควรยังไงนั่ง เรื่องสายกลางนะอย่างในเรื่การเดื่มธุรเพ่อสังคมหรือเทางสายกลางโอทางสายกลางพลวัตมันแย่แต่อาจารย์เรียนยากนะจากที่เดียนที่นี่อ่ะมันแย่นะเมื่อเร็วๆนี้ก็ไปฉันที่กระทรวงศึกษาเขาก็มาพูดเรื่องธุลานี่เหมือนกันเพราะว่าการดูุ่รานี่ดื่มเพื่อสังคมดื่มผลิตพอดีนะ สิไม่ขาดใช่ไม่ช่อาการย์โอ้อาจารย์กรรมศาสตร์นว่าถ้าวันนี้ขาดจริงก็ให้ลูกศิษย์หาอาจารย์มาดื่มหน่อยหนาวดืดม่มไม่กะทั่งสามสิกบกรรมศาสตร์ได้ยังไม่ดื่มพูราเลยถ้าทำเอลูกศิษย์ว่ามันดื่มขนาดพ อ, อดีก็ดีไม่ขาดแล้วให้เอาขนาดนั้นมาอาจารย์ดื่มแล้วลูกศิษย์จะเห็นด้วยไหมโอ้ไม่ได้สิอาจารย์ขาดแ ล, ลกกแล้วลูกศิษย์แล้ได้สิมาจากไหนไตัวน้อก็เลยยอมรับกระขาดนี่กี่าันไหมจะยอมตามอาจารย์เฉยกรรมศาสารทั้งนั้ใจไม่ลงคืออาจารย์อาหารอาหารหา ดูแให้า ย, นนยานนนนี้เรากาลังอยู่ในสังคมใ น, นสังคมธุรกิจอเอาให้พอดีพอดีอยากให้ขนาดถีนการขาดนะเราบอกมันไม่ยอมมาไม่ยอมมาที่นี่จะจะขาดทางง่านท่านจะไปทกาก็ห <c oughs> วังว่าเวลาถามอาถีนยงท่านได้มาจากไหนก็ได้มาจากเนี้ยเดียวกันนะั้นแล้วว่ า, างไงยอมรับว่างไงถ้าท่านยางใชาว่านี่ก็ขาดไป ไม่เี่ในธรรมไม่เห็นมีศีล ท, ทั้งคมมันไม่มีออการดึงแต่ยากนะศีลทั้งคมก็มีธุระทั้งคมมันมีทั่วทั่วไปแต่ศีลทั้งคมไม่มีดึงุราแล้วไม่ศีลขาดมันเป็นไปไม่ได้สําหรับในธรรมมันไม่เห็นมไม่ทราบอะไรมาพักผ่านสุนนนดๆคุณบอกให้ไปทำให้การดึกเนี่ยต่นนั้นเองทุกวันนี่มันมีหลายประเ ทิ้งทังคมมก็มีในศาสนาทำไม่ได้ไม่มีอะไรอีกอ่ะบริษัทนี่กับคนนี้่โกยนักเสือเครื่องรางของขลังเป็นพเครื่องหรืออะรอย่างนี้อ๋ออันนี้เราต้องเชื่อเราถ้าเราเดินไปเฉยเราไม่มีอะไรนะ เราก็มีความสามารถที่จะป้องกันตัวได้เราก็ไม่จําเป็นถืออะไรติดตัวไปด้วยนะเราไปอย่างสบายถ้าเรายังไม่แน่ใจเรายังบุกเข้ามาอะไรเราก็ถือเรื่อป้องกันตัวไปติดตัวทำเข้อมอกากันตัวไปมันเป็นลนักษณะที่ใช่เป็นมา mm hmm. กคืคนเราเนะี่ยความสามารถหรือความรู้สึกมันไเหมือนกันคนหนึ่งคนจะต้องอาศัยความพึงเพืงในสิ่งใดดือเพราะจาเป็นต้องอาศัยสิ่งนั้นก่อน่จนกว่าจะผ่านไปหน้าเช่นอย่างเด็กเนี่ยคือมันเวลาเริ่มขึ้นหัก ที่แรกมันจะต้องอาศัยอะไรเพราะผู้ผ่านดุลพันธเองไม่ได้ก็อาศัยที่เลี้ยงต้องอาศัยพี่เลียงไปก่อนในื้อยันหนาที่อาศัยไม้บ้างอะไรบ้างก็ต้องอาศัยด้วยก่อนเึืกว่าจะมีความสามารถแล้วไม่ต้องอาศัยพี่เลียงไม่ต้องอาศายัออาศายไมออย้ไม่ต้องอาศัยอะไรโดยเป็นลาพันเองได้เด็กคนนั้นก็ไม่จําเป็นจะต้องอาศัยอะไรมันเป็นธรรมชาติอยู่้ันมีความรู้สึกทางจิตใจคนที่อาศัยสิ่งต่างๆมาเป็นเรื่งเหนียวมันก็เหมือนกันคุณถึงมีความสามารถด้วยในใจตัวเองแล้วก็ไม่จําเป็นต้องหาเครื่องทางทังก็ได้ ก็พี่ยังไม่สามารถขนาดนั้นเขาทำนั้นก็ตามภูมิของเขาก็าไม่ควรจะรดเินเขาตามท้องถ่งาจารย์ไป่างั้นแต่เจ้าถูกวิจยังไม่รับรองนะอาจารย์ให้ลูกศิษที่แกมาถ้าัปท่องไหนอ้าวคนหนากันได้อาจารย์บอกไวว่าไงคือความรู้สูงคนนั้นไม่เหมือนกันค่ะอยู่ในของขอปัจจัยอะไรนะอืมอ๋อหนูฉันรับทานอิมนะ่าจมาจมทำไมมันนั่งรับทานโยงยิ ง, ยงนี่ได้หรออ๋อจะนีอิอ่มจะ น, นี่ฉันอนาเนี่ยมันก็ไม่ได้นะคนหนูกลังรับทานอยู่กำลังจะอม่ม มัน<ม>เป็นกนารขันนั่นก็คิกว่าผมพบพระเน่ยแต่ว่าว่าศักแล้ว่าพบไม่เฉยหรือว่ามีพระห้อยคออยู่องค์หนึ่งแล้วก็ไปไหนมาไหนก็ห้อยอยู่เรื่อยโดยไม่ได้สนใจจะเป็นเครื่องวางของขัน รับเข้าใจว่าเป็นแน่แนคือว่าถ้าคนคนอื่นเขาบอกว่าผ้าอันนี้เขาทดลองแล้วฝันฝันไหมครับถ้าเราก็พบเป็นเฉยนั่นจะเป็นเครื่องรางทั้งสองไดไหมครัถ้าไม่ทดลองดูบ้างให้หลับเันรู้ <laughs> มาถามอาจาร ย, ารย์อาจารย์ก็ไม่มีอาจารย์ก็ไม่ทดลองไม่รู้ ต้องการลูกศิษยพ่ los, ิด <lawsuit> ต <us> ูดลองแล้วมาเล่าจังเป็นไงเราไปพูดกันต่อไปนะนี่ทางวิหารเหมือนกันมั้งเลย่ปะ ไหนตามในนันถือก็มีเป็นพระหัตก็มีหลายันพันท่วแบบนี้นะทุกขัยจัตโตเอฟโทสราพินโยอาตุวิสามสติโตปโตนี่สีตันทั่วคือพตรสราพินโยอย่างพุทธาพินอพินยางพินยางนี้พ้อเห็น ดั่ดินก็่ไกว่าเป็นาไม่ได้เลยแต่ถ้มีไม่คนคนนึงให้เป็นหลายลายคนหรือมีหลายคนที่ไม่ได้หายไปเนีวนี่อยู่ในพวกพิธีกที่เป็นประเภทหนึย่อยประหยะัดถ้าเราว่าถ้าเรา ว, าว่าเนันเป็นหานทาาาี่ฐานก็ไหลักตงอย่างนั้นเองนะถ้าเราวาเรียกนั้นเราเป็นหลักฐานก็ไม่มีแต่เรื่องหาเป็นอย่างนั้น นี่มีอักขันอย่างวิทยาถ้ามั่งเสริมเรื่องนี้นะที่ส่งเสริมอย่างยิ่งก็คือมักแตกมีพยายามทำให้ดีอันนี้เป็นทางจริงๆทางผลิตพ้นทางต่อแอร่พื้นดินอันนั้นังเป็นผลคอยได้ถ้าไม่หือเป็นเมื่อเป็นน้ำจริงเหมือนอย่างหลักปฏิบัติที่บอกว่าแก่มันนี่เป็นหลักที่ทำให้เกิดการตอบประทับจริงจริงสารสีที่เกี่ยวข้องกับแก่เลยเต็ม แตนนั้นก็เป็นผลไารนั่นาจะเรียกแบานี้ว่าเป็นปฏิหารก็ก็มีในศาสนาเนี่ยศาสนาก็เกี่ยวปฏิหารด้วยท่านอาจารย์เขียนประวัติการมั่นกาหนดรู้อีกธิฤทธิ์ผู้อื่นการปฏิหารนี่เองเห็นเราจะเรียกว่าอะไรก็แแต่ท่านเป็นหนึ่งนั้นเราก็เขียนตามประวัติท่านหนึ้ง มันจะนันเป็นจริงจริงมันละเอียดออบมากจริงจเิงคอเราไปเห็นคนจากบเ้ายิ้มกับคนอื่นก็ยังไม่เท่าไหร่นะแต่เจอกับเราแบบนี้อย่างอาจารย์นี่ยิ้มเป็นพระที่ดือด้อยู่สุยนะมันยนมงงังกรน่ตัวดื้อใหญ่ทดลองทดสอบทุกอย่างเนะี่ยขูดอย่างต่งางๆหลายข้างเหมือนกันเป็นเข็ดก็ยอ ม, มคนละถ้าไม่เข็ดก็ไม่ยอมเคยเหมือนกันบางทีไป ไปที่แรกนะโดยมากจะไปเจอที่แรกพี่นโน้ตท่านรู้จักวราจิกวินท่านจะรู้จักวราเราหรือไม่นานไม่นานออกไปขึ้นปัญหาเขาพามาแล้วปัญหาใส่ผมยอมพอดนึงแล้วพยายามเอาอีกอย่างนั้นพูกอีกแต่ท่านมันจะพูดอย่างนั้นกงไปกรมมานะทำไปข้างหลังแล้วก็ตีมาข้างหลังก็ตีมาข้างหน้านท่านแยแยข้างหลัง ท่านรู้สึกจะสามารถมากท่านจานัดมั่นเพาะอาจารก็เคอยู่ท่านมแปดปีเขาไม่ยอมยอมจริงจริงยอมท่านจานัดมั่นยอมไม่มีอะไรแย้งเลยยอมเพราเรากำหมดกําลั ง, งเราแล้วสู้ท่าไหนก็สู้ทำไม่ได้สู้ท่าไหนสู้ไม่ได้ก็เลยยอมไม่จริงพยายามสู้นั่นแหะทั้งๆทีถือาท่านเป็นอาจารย์นะแต่ถ้าสู้มันยงมี้ยู่นะคือจิตใจของเราเนี่ยความรู้สึกนึกคิดเนี่ยมันเป็นจิตที่เฉพาะตัวมันอาจจะคิดได้ คิดเนี่ยนั้นคิดเนี่นี้คิดได้คิดไปคิดมาก็ถูกไม้ถูกได้ทีหนึ่งตกตูมดีหนึง่งอ่าเก็ดไปยอมไปคือพวกเดียวกันมั่นก็ต่างองค์ต่างาถูกไนงะที่อยู่ท่านนะหน้าหน้าหน้าตกขันองค์งหนึ่งมีความรู้สึกอย่างมี ค, ความรู้สึกเวลาถูกทันเทศแล้วลงมาเล่าสู่กันฟังแหมวันนี้ถูกผมอย่างตังเลย ผมมันมันอะไรคัอนนองไปที่ใ <laughs> มันดื้อไ่ท <laughs> ี่อย่างนั้นถูก็เข็กาก็มันกอดีละ <laughs> อันจะมัน่นร่าถือประเด็นยิงเดแต่ท่านก็พยายา ม, ามยรักษาคือท่านมัพูดอควบรวมมากขาเห็นว่า ม, มีผู้เสียด้วยเ็าเห็นนีแล้ ว, ท, วท่านการังท่าบบนก็ควบรกันมาหนงอะไมีไสายตั้งที่รู้ เห็นอย่างาท่งทง า, า, านว่าท่านพูดท่านพูดแต่คงบางมาท่านบอกท่านจะตายบางเนี่ยตจางนี้นไปสามปีนะนี้น่ะอันนี้พูดอยู่ทั่วๆไปแหละสำหรับวงพักถ้าสงสุยมะที่มาร่วมวงไปศพที่มาร่วมประชุมเพื่อจะพูดให้ท่านเตือนมาให้นอนใจถ้ามีข้อของใจอะไรก็ลืมจะประกอบความเพียรให้เร่งแล้วมีข้อของใจอะไรก็ให้มาถามในขณะที่มีพีรุธอยู่นี้เพราะการปรึกษาท่านรู้ลึกแก้ไขจิตใจตรงนี้มันเป็นของลำบากมาก จะอยู่แม่นานอยู่ตมุขเว้นไม่นา น, เ, ไไ น, านเดีก็ว่าไปบอกตำรวจขณะที่ผมยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเอามีอะไรเราพูดกันนี่ไม่นานนะไม่เลยแปดปีนะย่างเข้าแปดปีนั่นแหละบอกนี่ก็ยังอีกเท่านั้นปีบอก <c ười> ถ้าก็ดินกันหมดนะเนี่ยถ้าพดีด้วยกันมันไม่มีใครสงสัยละเรื่อเริ่มงป่วยเท่าก่อนนี้เป็นขัง้งถุกท้ายแล้วในการตรวจเนะี่ยทั้งเรื่องป่วยเท่านันบอกแล้วยุยงอะ้รนั่เห็นไม่อยู่ยนั่ก็บองโกงเลย เขาบอกในฐานะที่ศิลปอาจารย์มันไม่ตาย ง, ง่ายนะโลกนี้นะผนโลกทรมานจะต้องนานอยู่เาต้องแปดเดือนกินเริ่มเป็นตั้งแต่เดือนมีนาทุกท่าพฤศจิกาท่านรู้สึกแบบมีแต้มากจริงๆริงท่านอาจารย์มนะั่งเข้าทีอยู่กับท่านนะผมก็เรียนยากนันเรียนยาก แม้ความรู้สึกราชการ น, นี้แน่ใจว่าท่านรู้จริงๆริงันั้นเลยยอมเลยถ้าเราคิดอะไรไม่ดีแล้วต้องไปใกล้กับ เ, เป็นลักษณะมอมหมอกค้างๆเข้ า, ขาไปเนี่ยวันนี้คือเรามีแขลอะไรอย่างนี้ต้องระวังการล่องไหนกลัวจะมาติดกันนั่นแล้วเอาจริงๆด้วยนะเอาเขลอนเาก็ใส่กุนนั่นแหละแล้วไม่เข็ดยังไงคนเราถูกขรั้งหนึ่งต้องขรั้งมต้องเข็ด เ, เพราะเราไปเราไม่ได้ไปเพื่อความดื้อด้านเราไป ถึงเราจะคิดอย่างนั้นเราก็คิดก็เหตุเพผลเพื่อทดสอบอะไรอยู่นั่นแหละในใจของเราแล้วไม่ได้ตั้งใจทุกความรู้ได้ต้นน่ะต่อท่านนี่นะเรามีเนี่ยอเราอย่างนีนอนองนน้อย่างนี้นีนนน่ก็เจอเอาเจอเอาโน้มนเสร็จที่คนแพกเยอะแดดมากแดดมากจริงๆวัดสุทธาวาเจ้กุนนครก่อนจะเป็นวัดป่าเพราะไม่มีหมู่บ้านเลยที่วันนี้หมู่บ้านรอบๆ เล้รวัดสามยน่วยนโรคอะไร้องจลอรค้จอโรคไเ็มหหน่มต้องทอบกระแมาจุเตียงเตมาาอะไรไอริ่ตรงนี้ไม่มีอะไรที่นี่เหมือนแล้วเหรอเหมือนแล้วก ปัญหาจะเริ่มกันก็นได้นะ